เมื่อสักครู่ตอนที่สาธยายคำสอนพระเจ้าก็มีตอนหนึ่งที่บอกว่าแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์นะแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์แม้ความตายก็เป็นทุกข์กกแก่เป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์แล้วเกิดนี่เป็นทุกข์อย่างไรนะ ความหมายนึงคือว่าตอนที่เกิดนี่นนก็มีความป่วยความทุกข์ทรมารไม่ใช่เฉพาะผู้ให้กําเนิดนตัวเด็กที่เกิดมาก็มีความตื่นกลัวตกใจจากที่อยู่ในท้องแม่ที่สบายต้องออกมาเรียกว่าเหมือนกับกระเสษอกกระสนหรือว่าต้อง ดินหลนขัดขืนกว่าจะออกมาได้ถ้าออกมาไม่สําเร็จก็ตายแต่ความหมายหนึ่งของคําว่าแม้เกิดก็เป็นทุกข์ก็คือว่าไอ้ความเกิดนี่มันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าทนได้ยากทนได้ยากนี่หมายถึงว่ามันมีความ ไม่คงทนอันนี้ก็เป็นสภาพที่เกิดขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมมันสะท้อนหนึ่งความไม่คงทนหรือว่ามันมีความความบีบขั้นขัดแย้งอยู่ภายในอันนี้คือความหมายหนึ่งของคว่าทุกหรือว่าทุกขังซึ่ง สภาพแวชนี้กม็มีอยู่ในก้อนหินก้อนกรวดมีอยู่ในภูเขาป่าไม้ในเสาในหลังคาคือมันรอดแล้วแต่ว่ามีความบีบคั้นขัดแย้งอยู่ภายในที่ทำให้มันต้องเสื่อมสลายไปมันแสดงความไม่คงทนไม่คงที่อันนี้ความแก่ก็ชัดเจน ความตายก็เช่นเดียวกันนะมันไม่ใช่เพียงแค่ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจเท่านั้นนะหรือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกข์คนที่หลายคนพอแก่แล้วก็ทุกขนะ์ไม่ต้องพูดถึงความตายนะอันนี้มันคือทุกขเวทนานะทุกข์ก็หมายถึงในความหมายนี้คือว่า มันเป็นทุกขเวทนาหรือทําให้เกิดทุกขเวทนาอีกความหมายหนึ่งมันก็หมายถึงสภาวะที่มันไม่คงทนมันต้องเสื่อมต้องแตกดับไปนะความสุขก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าความสุขนั้นมันก็ไม่คงทนเหมือนกันหรือจะแปลว่ามันเจอด้วยความทุกข์ก็ได้นะ ความสุขความสบายทั้งหลายนี่มันก็เตื่อไปด้วยทุกเพียงแต่ว่าเราจะสังเกตมาหรือไม่อาหารที่อร่อยนะกินไปกินไปกินไปกินทุกวันทุกวันทุกวั น, ท, วนทุกมือ้อยิ่งกินมันก็ความอร่อยก็จืดจางความไม่อร่อยก็มาแทนที่นะกินไปนานๆที่อร่อยก็กลายเป็นเฉยๆ แล้วจากเฉยๆก็กลายเป็นเบื่อแล้วกินต่อไปก็กลายเป็นเอียนแล้วกินต่อไปอาจจะอาเจียนเลยก็ได้อันนี้เรียกว่าในความอร่อยก็มีความไม่อร่อยแฝงอยู่แล้วความไม่อร่อยมันก็จะค่อยๆค่อยโผล่มาก็ค่อยโผล่มาให้เรารับรู้ได้อันนี้เรียกว่าความอร่อยก็เป็นทุกข์นะ คือมันเจอด้วยความไม่อร่อยหรือว่าความอร่อยของความอร่อยนั้นมันก็ไม่คงทนไม่คงที่นะมันก็ต้องเสื่อมดับไปบางอย่างก็ต้องใช้เวลากว่าจะกว่าจะเห็นความเสื่อมความดับอิเลียบที่สุขอิเลียบที่สบายก็เหมือนกันนะลองเลือกดูนะนั่งในท่าที่สบายคิดว่าสบายที่สุดนะ แต่ว่าถ้าเรานั่งอยู่ในทาน่นนานานๆไม่นานความสบายค่อยหายไปความไม่สบายหรือความปวดความเมื่อยเข้ามาแทนที่นะอันนี้ก็เหมือนกันนะความความสุขความสบายก็เป็นทุกขนะ์ในความหมายที่ว่ามันก็ไม่คงทนเหมือนกันมันก็ต้องเสื่อมต้องดับไปหรือมีความหมายว่ามันมันเตื่มไปด้วยทุกข์ แล้วก็ทุ ก, นกนเนี่ยค่อยแสดงตัวให้เห็นนั่งเอกคเนเอกแล้วก็ยังสึกว่าที่แรกก็สบายทํานั่งไปสักครึ่งชั่วโมงชักจะไม่สบายแล้วชักจะเมื่อยแล้วมันนอนดีกว่าพอนอนเสร็อือสบายนะหายปวดหายเมื่อยแต่พอนอนไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งมันก็เริ่มเริ่มเมื่อยแล้วนะ ถ้าทำไม่เจอหายเมื่อยก็พลิกตัวนการพลิกเนี่ยการขยับเนี่ยมันก็เป็นเครื่องหมายหรือเป็นเพราะว่ามันมีความปวดความเมื่อยเกิดขึ้นแล้วซึ่งก็เป็นทุกอย่างหนึ่งแต่บ่อยครั้งคนเราก็พลิกโดยไม่รู้ตัวนะพอพลิกตัวก็หายเมื่อกยอก็เลยสามารถจะนอนอยู่ในท่านสามารถจะนอน ได้นานๆหกเจ็ดแปดชั่วโมงอย่างที่เรานอนเวลาเวลาหลับแต่ว่ามันก็มีการพลิกตลอดเวลาเพียงแต่เราไม่รู้ตัวที่พลิกเพราะว่ามันเริ่มเมื่อยแล้วพอเมื่อนิดหน่อยก็พลิกก็หายเมื่อยก็เลยสกว่าเออการนอนมันสบายนะแต่ที่จริงเนี่ยมันมีทุกแสดงให้เราเห็นแสดงตัวให้เรารับรู้ตลอดเวลา อยู่ที่ว่าจะรู้สึกหรือว่าหรูอที่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่เรื่องการที่เราขยับไปยื่นเปลี่ยนยืดหยุ่นตลอดเวลาก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันไม่ทุกข์เท่าไหรน่นี่มันก็สบายนี่นะไม่ว่าจะเป็นการนั่งหรือนอนแต่ถ้าเราลองนั่งในท่าใดท่าหนึ่งนานๆมันจะเห็นเลยว่าทุกนี่แสดงตัวออกมาชัดเจนขึ้นเลื่อยๆขึ้นเลื่อยๆงั้ ครบาจารย์บางท่านก็วิธีหรืออุบายในการสอนกะ็คือว่าให้นั่งอยู่ในท่าใดท่านหนึ่งนานๆเพื่อได้เห็นว่ามันทุกข์จะได้เข้าใจเลยนะว่าสังขารนี้เป็นทุกข์จะได้เข้าใจเลยนะว่าที่เราสวยวันเนี้ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วความทุกข์มันอยู่ติดตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะแสดงตัวมาเมื่อไหร่แคนั้นแหละ ในการที่นั่งอยู่ท่านใดท่านานานๆแล้วก็ให้ค่อยเห็นความปวดความเมื่อยมันค่อยๆโผล่มาเท่านิดเทลานิดจนกระทั่งกลายเป็นความปวดนะเรียกว่ารุนแรงอันนี้มันก็ไม่ใช่เป็นการทรมานตนนะแต่เป็นเป็นการเป็นการแสดงความจริงหรือเปิดช่องให้ความจริงได้แสดงตัวว่าสังขารเป็นทุกข์นะไม่งั้นคนเราก็ ก็ไม่เห็นตรงนี้นะก็ไปหลวงคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นสุขเป็นสุขโดยเฉพาะคนที่ยังอยู่ในวัยหมุนวัยสาวกเขาคิดว่าร่างกายเป็นสุกนะในการเราไม่เมื่อใดเมื่อไม่เห็นว่าสังขารเป็นทุกข์ก็ทําให้เกิดความยึดติดถือมั่นในสังขารเนะพราะเห็นว่าเป็นสุขเนะี่ะก็เลยยึดติดนะแต่ถ้าเกิดว่าให้ร่วมเป็นทุกข์นะ มันทุกก็คือมันไม่ใช่แค่มันประกอบด้วยทุกขเวทนาแต่ว่ามันคือสภาวะที่ไม่สามารถจะทนอยู่ได้นานไม่คงทนนั่นเองมันมีความบีบขั้นขัดแย้งอยู่ภายในอันนี้ก็ทําให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันทําให้เราได้เห็นว่าเออทําให้เห็นอั น, นอันนี้เห็นโดยปัญญาแล้ว เห็นด้วยปัญญาหรือเกิดปัญญาขึ้นนะแต่ว่าถ้าอาแต่ปวดปวดปวดนะเวลามีความเมื่อยเกิดขึ้นมันก็ไม่เห็นนะปัญญาก็ไม่เกิดแต่ที่จริงแล้วเนี่ยแม้ว่ามันจะร่างกายมันจะปวดจะเมื่อยยังไงแต่ว่า ใจเราไม่ปวดใจเราไม่เมื่อยก็ได้นะความทุกเนี่ยนะเวลาพูดถึงความทุกในความหมายที่เราเข้าใจกันเนี่ยมันมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญเนชะ่นเดียวความสุขนะความสุขก็อยู่ที่ใจเป็นสำคัญคนไปคิดว่าจะสุขได้ต้องมีนั่นมีนี่ต้องมีกระเป๋าราคาแพงต้องมีโทรศัพท์มือถือมีรถจอมีบ้าน มีเงินมีทองถึงจะสุขนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสุขนี่มันอยู่อยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะตัวชี้ขาดคือใจนะไม่ใช่สิ่งที่ได้มาหรือว่าสิ่งที่ครอบครองหรือว่าสิ่งที่เสรฟกินอาหารที่อร่อยนะราคาแพงนะเชิญชวนชิมมิชลินสามดาว แต่ถ้าเกิดว่าใจเนี่ยนะวิตกกังวลนะถึงลูกที่ยังหาที่เรียนต่อไม่ได้มันก็ไม่อร่อยนะกินก็ไม่มีความสุขนะซื้อตัว๋วดูคอนเสิร์ตโดยนักดนตรีวงนดนตรีชื่อดังราคาเป็นหมื่นหรือว่าไปดูล <c oughs> ะครนะมิสิคลนะที่ มาจากเมืองนอกนะแต่ว่าถ้าใจนะยังเศร้าโศกเสียใจรถที่หายเงินที่ถูกโกงหรือคนรักที่จากไปมันฟังยังไงดูยังไงก็ไม่สนุกนะเพลงหรือว่าละครนะไปเที่ยวไปเที่ยว ต่างประเทศนะไปถึงอเมริกาไปถึงยุโรปแต่ว่าระหว่างที่อยู่ท่ามกลางถิอทัศที่สวยงามนะใจเนี่ยมันขัดเคืองหรือว่าคุ้มแค้นนะเพื่อลว ง, งานที่เพิ่งได้ข่าวว่านะแทงข้างหลัง ในลวงที่เรามาเที่ยวหรือว่าโมโหไกลนะ์นะที่ทำตัวไม่ไม่น่ารักเนี่ยมันเที่ยวก็ไม่มีความสุขนะแม้ว่าจะเสียเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนก็ตามจะได้เสษ จ, จะได้ชมนะหรือว่าได้เที่ยวยังไงถ้าใจมันไม่ ไม่เอาด้วยไม่ไปด้วยเนี่ยมันก็ไม่มีความสุขนะให้ความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นสำคัญเลยอย่างอื่นเป็นเป็นองค์ประกอบนะหรือว่าเป็นรองก็ว่าได้นะความทุกข์ก็เหมือนกันนะความทุกข์เนี่ยมันมันก็ ขึ้นอยู่กับอุปกรณสองอย่างเหมือนกันนะก็คือสิ่งภายนอกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น, นการเสื่อมลาบเสื่อมยศนะหรือว่าการถูกต่อว่าด่าทออันนี้เรื่องเรเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมฝ่ายลบ เกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันจะทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อใจนี่เอาด้วยเป็นด้วยนะจต่เกิดขึ้นแล้วแต่ใจแม่ไม่เอาด้วยไม่เป็นด้วยเนี่ยมันก็ไม่ทุกข์นะเงินถูกโกงนะแต่ว่าใจปล่อยวางนะนัมันก็ไม่ทุกข์ถูกต่อว่าด่าทอนะแต่ว่าใจไม่ใจก็ไม่สนใจ หรือว่ากลับมองเห็นว่าเป็นของดีเสกนะก็ไม่ทุกนะนี่ลูกศิษย์หลวงปู่ขาวนะเป็นแม่ชีนะชื่อแม่ชีสาก็ปฏิบัตินะกับหลวงปู่ขาวนี่มานานนะวันนึงก็หลวงปู่ขาวก็อยากจะให้พระไปทดสอบดูลวงว่าแม่ชีสานี้นะปฏิบัติทำเป็นอย่างไร ก็ให้ลูกสิธิ์สองรูปนะรูปหนึ่งคืออาจารย์จวนนะกุลเชษโทนะไปดา่าไปด่าแม่ชีนุงกุติเลยทั้งสองรูปนี้ก็ทำตามนะที่หลงปูขาวว่าก็ไปถึงก็ดา่ดาดา่าด่าสรรหาคำแตละคำมดดาด่าทีแรกแม่ชีภาษาแกก็งงนะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าแกก็ฟังนะแล้วแกก็พนมมือนิ่ง นั่งฟังนะไม่ได้มีท่าทีเป็นทุกข์หรือโกรธเคืองเลยหรือเสียใจเลยทั้งสองท่า น, นพอด่าเสร็จท่านก็ไม่ชีสาพวพูว่ า, าพระคุณเจ้าด่าจบหรื อ, อยังนะีฉันฟังแล้วทราบซึ้งเหลือเกินนะที่พระคุณเจ้าด่าแล้ว อันน่้เป็นธรรมทั้งนั้นเลยนะแล้วก็นิมนต์วันเนี่ยทีหลังมาได้นะนะเพราะว่าจะได้ขูดกิเลสนะเรามักจะเรามักจะคิดว่าเนี่ยทุกใจเสียใจโกรธเพราะถูกดา่าแต่ว่ามันยังไม่ถูกทีเดียวนะเพราะว่าคนที่ถูกตาแต่ไม่ทุกข์ก็มีนะ เพราะอะไรนะเพราะใจนะเพราะใจเขาไม่ได้ยึดติดถือไม่กับคําด่าหรือเพราะใจเขามองว่าไอ้คาด่าหรือการด่านี่มันมันก็มีประโยชน์นะอืเป็นธรรมะล้วนๆนะเห็นธรรมะจากคาําด่าถูกดายยังไงใจก็ไม่โกรธใจก็ไม่ไม่ทุกข์นะไม่เสียใจแล้วนเะมื่ได้ก็ตามที่ทุกข์เพราะถูกด่าเนี่ย เมื่อใดเมื่อใดก็ตามที่ถูกด่าแล้วทุกเนี่ยมันแสดงว่าสาเหตุอยู่ที่ใจเราเนะ่มันไม่ยู่ที่คาําด่ามันอยู่ที่ใจเราถ้าวางใจไม่เป็นนะมันก็ทุกนะแต่ถ้าวางใจเป็นก็ไม่ทุกปัจจัยภายนอกเป็นตัวรองนะปัจจัยภายในคือใจของเรานี่แหละนะซึ่งหมายถึงว่าไปยึดติดถือมั่นไหมหรือว่าไป มองไปให้ความหมายกับการต่อว่าด่าทอนนั้นอย่างไรจริงๆไม่ใช่เพราะนักปฏิบัติธรรมอย่างแม่ชีสาหรือว่ า, าผูอา้อาจารย์กรรมฐานที่ท่านสามารถจะสงบดิ่งได้เวลาถูกด่า คนทั่วไปนี่เขาก็ถ้าวางใจถูกวางใจเป็นนะก็ไม่ทุกเหมือนกันนะถูกด่ามีเพื่อนคนนึงชื่อโจนจันไดเนะี่ยโจนจันไดนี่เดี๋ยวนี้ก็มีชื่อนะเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นไอดอลเป็นไอเป็นไอคอนของคนที่ของคนหนุ่มสาวที่ต้องการคืนสู่ธรรมชาติใช้ชื่ออย่างเรียบง่ายสัมผัสกับพื้นดิน แต่ว่าตอนที่โจรเขายัางหนุ่มเนี่ยเขาก็มีความเทือยทียันเหมือนคนหนุ่มสาวทั่วไปก็คืออยากรวยนะก็ไปหางานทําในกรุงเทพแต่ความรู้ก็ไม่ค่อยมีก็ได้งานที่ค่อนข้างจะต่าต้อยคราวนึงเขาก็ไปเป็นพนักงานทาความสะอาด ห้องพักโรงแรมเจ้านายเขาคือแม่บ้านคนหนึ่งอันตวบอกว่าเนี่ยไม่เคยเจอผู้หญิงแบบนี้เลยนะคือเห็นหน้าก็ดา่ดาดๆๆดา่านาะทำอะไรไม่พอใจก็ดา่าดานะเรียกว่าดาอย่างเดียวเลยมีความหนึ่งแม่บ้านก็ให้เขาไปขูดไปทำความสะอาดขัดลูกบิด รูบิบประตูห้องพักแขกก็ให้ b ร a โซไปขัดก็ขัดด้วยความตั้งใจขัดจนวาวเลยนะแต่ว่าเกือบจะเสร็จละ md นะผู้จัดการมาเห็นก็ต่อว่าเขาว่าใช้ b ร a โซขัดได้ยังไงมันขัดไม่ได้แม่บ้านเนี่ยซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ ทั้งที่เป็นคนสั่งก็ได้แท้เนี่ยพอเจออย่างนี้เขาก็เลยผสมหลวงซ้ำเขาก็ว่าเขาเลยนะเนี่ยทำได้ยังไงโง่เหลือเกินนี่มันขัดได้ที่ไหนลับบัสโซโจนเนี่ยอทีแรกก็รู้สึกไม่พอใจนะแต่สักพักนี้เขาก็ยิ้มแล้วก็พนมมือนะบอกขอโทษครับนะนะวายแม่บ้านนะ ขอโทษครับแล้วก็แล้วก็บอกขอบคุณครับแล้วก็นับแต่นั้นมานี่เขาก็เวลาถูกแม่บ้านด่าเขาก็ยิ้มแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็ขอบคุณครับขอโทษครับทำางนี้จนกระทั่งเป็นที่รู้กันในหมู่พนักงานโรงแรมก็หลายคนก็หาว่าเขาบ้าถูกดา่าดันยิ้มดันยกมือไหว้คนดา่า มองคนก็หาว่าเ้าโง่นะไปยอมให้เขากดขี่นะแต่โจนก็บอกว่าเนี่ยคนเขาก็ไม่สนใจนะเขาบอกว่าเออเขาก็เขาไหวเพราะเขขอบคุณนะขอบคุณที่มาช่วยฝึกใจเขาเวลาถูกแม่บ้านด่านี่มันได้เห็นใจตัวเองแล้วก็ได้ได้ฝึกใจตัวเองนะผ่านไปเดือนหนึ่ง แม่บ้านก็เรียกเข้ามาแล้วก็มาถามนะด้วยความสงสัยว่าเนี่ยเวลาฉันด่าเธอทำไมเธอถึงยกมือไหว้ฉันนะขอบคุณฉันตัวก็อธิบายอย่างที่พูดมาเนี่ยนะว่าก็เห็นว่าเนี่ยที่แม่บ้านด่าเนี่ยมันมันช่วยทำให้เข า, าหันมาจัดการกับจิตใจของตัวเอง บางทีเขาทำก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่ว่าเป็นความสุขของแม่บ้านที่ได้ด่าเขาแต่ว่าเขาก็ได้มาดูใจได้มาฝึกใจนะก็ต้องขอบคุณก็พรากว่านับแต่นั้นมานี่แม่บ้านนี่ก็เลิกด่าเขาเลยนะเพราะว่าจเจีว่าแพ้ใจหรือว่าหรือว่าโจ้นี่ชนะใจแม่บ้านกันนะอันนี้เป็นตัวอย่างแนละ้วว่า ถูกด่าไม่เป็นจะต้องทุกข์เสมอไปนะจะทุกข์หรือไม่นั้นอยู่ที่ใจเรามากกว่าไม่ใช่อยู่ที่คําพูดของเขาถ้าคําพูดเขาเป็นปัจจัยภายนอกนะแต่ว่าปัจจัยที่สำคัญคือปัจจัยภายในคือใจของเรานั่นแหละจะรู้สึกกับคําด่านั้นอย่างไรเช่นถ้ามองว่าคำด่านั้นมันเป็นเครื่องขูดกิเลสอย่างไม่ฉีสาพูดหรือว่าคําด่านี่ยมันเป็นธรรมะ ยิ่งถูกด่าก็ยิ่งยิ่งยิ้มนะพอใจเราจะมองแบบโจรว่าเนี่ยออคาดานี่มันเป็นการถูกดานี่นเปนการกระตุ้นให้หันมาจัดการกับใจของตัวเองอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ชี้เลยนะว่าจะสุขหรือทุกเนี่ยความทุกเนี่ยไม่มีที่ว่ามีอะไรแย่กเกิดขึ้นกับเราแต่มีที่ว่าเรา รู้สึกกัมันอย่างไรนะหรือระวางใจกับมันอย่างไรมากกว่าในเวลาในทางตรงข้ามนะความสุขก็เหมือนกันนะความสุขก็ไม่ไ้คุณว่ามีอะไรดีๆเกิดกขึ้นกับเรารู้ ป, ป่ะจะอยู่ที่ว่าเรารู้สึกกับมันอย่างไรนะได้โบนัสเป็นแสนเป็นล้านหรือถูกรัตเตอรี่นะถูกผวยแต่ก็อาจจะไม่สุขก็ได้นะ ถ้ามองว่ามันได้น้อยกว่าที่คิดหรือว่าเมื่อเห็นคนอื่นเขาได้มากกว่าเราได้โมงเป็นล้านแต่ว่าคนอื่นได้มากกว่าเราเขาได้สิบล้านแต่เราได้ล้านเดียวมันก็ทุกนะหรือว่าได้สิบล้านแต่ว่าอีกคนเ้าได้สามสิบล้านเนี่ยไอ้สิบล้านกลายเป็นกลายเป็นกล า, ายเป็นจานวนเล็กน้อยไปเลย ก็เลยกลายเป็นทุกข์ไปนะี่มันอยู่ที่มุมมองของเรามากอยู่ที่ใจของเรานะรวมทั้งนอกจากมุมมองแล้วก็ยังถือว่าความยึดติดถือมั่นด้วยนะความยึดติดถือมัน่นยิ่งไปยึดติดถือมั่นในตัวกูมากมากเนี่ยนะมันก็ยิ่งทุกข์นะ ย, ย, ย, ยิ่งติดยิ่งติดยิ่งยึดติดถือมั่นในตัวกูไอ้คดาด่าเนี่ยก็มือนก็ว่าเป็นตัวที่ กรแทกตัวกูนะให้เป็นทุกข์แต่ถ้ามองว่าเออมันเป็นการทรมานอัตตานะไอ้คาด่าที่เป็นการทรมานอัตตาอัตตานี่มันมีมาเท่าไหร่ยิ่งเป็นทุกข์มาเท่านั้นหรือว่าถ้าไปปล่อยให้อัตตาครองใจมากเท่าไหร่ก็เป็นทุกข์มาเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยดีแล้วนะอัด ต, ตามทุกทรมานบ้างมันจะได้หายซ่านมีนได้หายกําเริบนะก็กลายเป็นว่าเออเป็นของดีนะ หรืออย่างที่แม่ชีศาใช้คําว่าเป็นการขูดกิเลสถ้าเราเห็นว่าเห็นว่าอัตตาหรือการยึดติดถือมันเนี่ยตานี่มันเป็นทุกข์เนี่ยอะไรที่มากระแทกอัตตานี่นะก็ถือเป็นของดีนะหรือแล้วก็ตามที่มาช่วยขูดกิเลสกระแทกกิเลสเนี่ยมันก็เป็นของดีเพราะว่ามันจะได้ไม่เหิงเกลือไม่กําเริบ ม, มันจะได้ฟอลงฟอลงยิ่งมันฟอลง หรือว่าเล็กลงเท่าไหร่เนี่ยเราก็จิตใจล้วก็โปร่งเดาโปร่งเบานะมีความสุขมากเท่านั้นไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันมันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่เราพึงระลึกอยู่เสมอนะแต่เราจะระลึกได้ต้องใส่สตินะพอถ้าไม่มีสติก็ไม่ระลึกระลึกไม่ได้นะ สติอย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าสติหน้าที่หนึ่งคือว่าความระลึกได้รนะะลึกได้ถึงคําสอนนะอันนี้ก็เป็นงานของสตินะระลึกได้ว่าไอ้การทำความชั่วเนี่ยมันจะมีผลเสียตามมาอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของสติซึ่งช่วยทำให้เรายับยัง้งยับยั้งใจยับยัง้งปากยับยั้ง กายไม่ให้ทําในสิ่งที่เป็นโทษกับผู้อื่นไปเบียดเบียนเขาหรือว่าผิดศีลเนี่ยอันนี้ก็ใส่สติเหมือนกันอย่างที่เราสอ น, ม น, สนเมื่อสักครู่เนี่ยเมื่อใดเราลึกถึงคําสั่งสอนของผู้เจ้าอยู่ผู้มีปัญญาคนก่อสร้างศ ร, รัทธาศีลควารู้ราสายและทำให้หนึ่งหนึ่งและความเป็นทําให้หนึ่งหนึ่งเราลึกได้ถึงคาสอนออออสเนี่ยลึกได้เพราะอะไรเพราะมีสตินะแต่ว่าถ้าเราเพลินในความสุขนะ กิในความสุขหรือว่ากาลังกําลังจมอยู่ในอารมณ์รงกระทั่งเมาในอารมณ์เช่นอารมณ์โกรธอารมณ์เศร้าเนี่ยมันก็ระลึกไม่ได้นะระลึกไม่ได้แต่ถ้าว่ามันมีบางช่วงบางจังหวะที่ระลึกได้ขึ้นมาเนี่ยพอร ะ, ะลึกได้นะไอ้มันก็สามารถจะดึงจิตให้หลุดจากอารมณ์หรือถอนใจออกมาจากอารมณ์นั้นได้อาที่กําลังเมานะเมา เมาอารมณ์โกรธอยู่นี่มันก็หายโกรธได้เหมือนกันนะพอระลึกได้แล้วก็หันกลับมารู้เท่าทันกลับมาเห็นนะสติเนี่ยมันหน้าที่สำคัญนะคือระลึกได้แล้วทำให้รู้เท่าทันนะท้าไม่รู้เท่าทันหรือว่าเห็นนะอารมณ์ที่เกิดขึ้นพอเห็นเนี่ยหรือรู้ตัวนี่มันมันหลุดได้เหมือนกันนะมันหลุดได้ได้เลย ไม่ต้องทำอะไรกับความกับความโกรธนั้นนะมีผู้ปกครองโรงเรียนผู้ปกครองเด็กนักเรียนโรงเรียนหนึ่งนะแกะไปรับลูกผู้ปกครองนี่เป็นนายทหารนะตอนเย็นก็ขับขับรถไปรับลูกโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่มีชื่อนะคนคนมีฐานะก็สมก็ไปเรียนเพราะนั้นเวลาตอนเย็นนี่ รถนี่ก็จะติดยาวเป็นเป็นแพรเลยนะนะเพื่อมารอลูกโรงเรียนก็มีกฎระเบียบว่าให้ให้รถเดินทางเดียวนะรถแล่นทางเดียวเข้าประตูนี้ออกประตูนั้นนะแวก็มารอ <c oughs> เห็นป ร, ประตูทางเข้านี่รถติดกันเป็นแพร่แก็เลยนะซิกแซกนะไปเข้าโรงเรียนทางประตูออก ขอลเงินทําประตูออกเนี่ยนะมันก็ลดก็ไม่เยอะเข้าไปในโรงเรียนก็ก็มีที่จอดรถนะก็ตรงเข้าไปจอดรถปบอกว่ามันเป็นที่จอดรถที่เหลือนะอันสุดท้ายผู้ปพลอยคนหนึ่งซึ่งขับรถมาตามลำดับ น, นะก็หมายมันจะได้ที่เอาที่จอดรถนั่นแหละบอกว่าโดนานายทางนายทางคนนั้น แย่งไปแล้วก็ไม่พอใจก็ลงมาต่อว่าในทานงคนนั้นนี่ไม่เคยถูกคนต่อว่าเนะโกรธไม่พอใจก็ถามผู้ปกครองคนนั้นว่าเนี่ยแต่กรู้ไหมว่าฉันเป็นใครผู้เขาครองก็บอกเนี่ยผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครรู้แต่ว่าคุณทำผิดกฎจราจรทำนี้ไม่ดีมันแย่มาก พูดจกก็เดินกลับไปที่รถในทางนั้นโกรธมากนะเอาปืนเนี่ยที่มีในลิ้นในในรถเนี่ยออกมาแล้วก็เดินตามผู้ปคกครองคนนั้นไปหมายว่าจะยิงให้ตายแลยหรือทำให้บาดเจ็บก็บังเอิญมีคนขับรถโรงเรียนอยู่ในเหตุการ์อยู่ทถานั้นเห็นเหตุการณ์เข้าก็เลย นะคิดว่าต้องต้องทำอะไรสักอย่างนะก็เลยเดินไปเพื่อจะห้ามนายฐานคนนั้นแต่ว่าเราเคยได้ข่าวนะให้การไปการเป็นพลเมืองดีบางทีมันก็เจ็บตัวพอผู้ลายนี่เล่นถึงตายก็มีโดยเฉพาะคนที่กำลังโกรธนะอย่างเช่นนักเรียนชีว่ากำลังตีกันเนี่ยนะไปห้ามบางทีก็โดนลูกหลง แต่พนัก ง, งานโรงเรียนนี่แกก็เป็นคนที่ฉลาดมีปฏิภาณและเข้าใจคนเดินไปพอไปถึงนาทางนะั้นก็เอามือแตะเบาๆนะที่แขนแล้วก็พูดว่าท่านครับท่านมารับรู้ไม่ใช่หรือครับนะไม่ได้บอกว่าอย่าทำอย่าทำนะห้ามห้ามนะถ้าทำกนอาจจะนาทางอาจจะโกรธนะ คนเรากำลังโกรแล้วมีใครมาห้ามมีใครมาขวางเนี่ยก็เรียกว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือนแต่ว่าพอพอพนัก ง, งานพูดอย่างนั้นเนี่ยแกก็พอนึกถึงลูกขึ้นมานะได้สติเลยเห็นความโกรธของตัวเองเลยนะรู้ตัวเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่ปรากฏว่าหายโกรธเลยนะ เดินกลับไปที่รถเอาปืนเก็บนะคือพอพอพอมีสติรู้ตัวขึ้นมานะไอความโกรธที่มันครอบงำใจมันหายไปเลยมันหลุดไปเลยเอาความมีสติเพราะสติความรู้เท่าทันนะทยิ่งสตีมก็ยังเอามาใช้นะสติมมันช่วยลดความทุกข์นะได้มากทีเดียวแล้วถ้าเรามี มีสติครองใจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราสามารถจะรักษาใจได้นะไม่ให้ทุกไปตามแรงกระตุ้นของสิ่งภายนอกนะไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์อะไรนะที่ไม่ถูกใจที่ขัดใจที่ไม่พอใจเนะี่ยไอ้สิ่งนี้มันทําให้เราทุกไม่ได้นะทําให้ทุกใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าเรามีสติเรารู้ตัว ไม่ได้เจ็บป่วยนะเจ็บป่วยมันก็จะป่วยแต่กายแต่ใจไม่ป่วยนะแว่าเรามีสติมากพอเนะพราะเวลาป่วยเนี่ยนะมันมันไม่ได้มันทุกข์กายก็จริงนะแต่ว่าถ้าใจมีสติเนี่ยนะใจมันก็จะทุกข์ตามไปด้วยมีความวิตกกังวล น, นะมีความเครียดมีความโกรธาจจะโกรธ โกรชะตากรรมนะว่าทําไมถึงทํากับเราอย่างนี้นะทําความดีแล้วทําไมต้องมาเป็นโรคนี้นะมันมีความรู้สึกที่เป็น อ, อกุศลสารพัดนะที่ทําให้ใจเป็นทุกข์อันนี้ว่าใจป่วยแล้วซ้อนลงไปซ้อนลึกไปกว่า น, นั้นเนี่ยนะก็คือความไปยึดติดถือมั่นนะว่าไอ้ความปวดหรือความป่วยเนี่ยมันเป็นเราเป็นเราป่วยเป็น เป็นเป็นกูป่วยเป็นกูเจ็บนะไอ้ตรงนี้มันยิ่งทาให้ใจเป็นทุกข์มากขึ้นผู้อ่าง่ก็คือไปแบกเอาความทุกข์ของกายเป็นความทุกข์ของใจนะอันนี้เรียกว่าซ้ำเติมตัวเองนะป่วยกายแล้วนี่ยังไปซ้ำเติมตัวเองด้วยการทาให้ใจป่วยตามมาด้วยแอ้ส่วนใหญ่ก็จะไปซ้ำเติมตัวแบบนี้กันทั้งนั้นแหละ แต่ถ้าเกิดเรามีสติเนี่ยนะเราก็เห็นเลนะว่าโอมันก็สามารถทำให้ใจนี่กลับมาเป็นปกติได้กายป่วยก็ป่วยไปนะแต่ใจไม่วิตกกังวลนะใจไม่ไม่บนวยวายตีโวยตีพายนะแล้วก็รู้ทันเวทนาไม่ไปยึดเอาเวทนามาเป็นอ่ามาเป็นเราเป็นของเราอันนี้ก็ต้องใสสติเหมือนกันนะยึดเวทนา การที่พ่อท่านมีสติมาเนี่ยมันจะยึดเอาทุกขเวทนามาเป็นมาเป็นเราเป็นของเราไปแทนที่จะเห็นความปวดก็เป็นผู้ป่วดไปมันก็ยิ่งซ้ําเติมตัวเองมากขึ้นงั้นเวลาคนเราปว่วยเวลาคนเราเจ็บป่วยเนี่ยมันมันจะไม่ใช่แค่ป่วยกายเดี๋ยวมันมีความป่วยใจแต่ถ้าเรามีสตินะแล้วก็ ทำให้ใจนี้กลับมาเป็นปกติไม่โวยไม่โวยวายไม่ตีโพลตีพายแล้วก็ไม่คดเดียวกันก็อันนี้เรียกอันนี้เรียกว่ารู้ใจแล้วคดเดียวกันก็รู้เวทนาด้วยไม่ไม่ไมปยึ์เวทนาะเป็นเราเป็นของเรานะมันก็ป่วยแต่กายนะความป่วยความเจ็บเป็นทุกข์นะแต่ว่าคนที่ป่วยและเจ็บแต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะคือทุกข์แต่กายใจไม่ทุกข์ เช่นเดียวกันความตายแม้ความตายก็เป็นทุกข์แต่ว่าคนที่กำลังจะตายที่ไม่เป็นทุกข์ก็มีนะมันมีแต่ทุกข์ไปทางร่างกายแต่ใจไม่ได้ทุกข์ไปด้วยความสูญเสียพัด พ, พราาเป็นทุกข์นะแต่ว่ามันทุกข์แต่ของทุกข์แต่มันสูญเสียแต่สูญเสียแต่ของสูญเสียแต่ทรัพย์แต่ว่าใจไม่ทุกข์ก็ได้นะอันนี้มันเป็นมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราทําได้นะ ถ้าเราดูแลรักษาใจอยู่เสมอแต่การดูแลรักษาใจก็ต้องมีสติเป็นเครื่องดูแลผู้เจ้าตัดว่าสติเป็นธรรมที่มีอุปการะมากสติกับสัมปัญญะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากอุปการะคือมันช่วยใจนะช่วยรักษาใจนั่นถ้าเรามีสติมี ตาปัญญาเป็นเครื่องรักษาใจนะไม่ว่าเจออะไรเนี่ยใจก็ยังเป็นสุขหรือเป็นปกติได้อันนี้มันเป็นหลักประกันของความสุขนะที่ดีกว่าการที่ไปดิ้นรนค้นขว้าหาหาอ ะ, อะไรมาปนเปรตตนหรือว่าหาอะไรต่ออะไรมาแวดล้อมตัวเองนะแต่ว่าใจไม่รักษาพระเจ้าตาบัจจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วนําสุขมาให้นะ จิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะแล้วที่ฝึกเตรียมการคือฝึกให้มีสติฝึกให้มีปัญญาเนเอาละชานิวกุกทันนีครับครับ